พรยาพดกนะนี่ยนรณีถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของบาลีบาลีพุทธพจน์นั้นมาถึงข้อความในข้อส6สหข้อส6สหน้าห้าห้าสิบห้าเป็นการสรุปว่าการบำเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้คือคุณธรรมที่เป็นเครื่องบ่ม อบรมเกื้อกูลให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจัดเป็นบารมีสิบอุปบารมีสิบและประมัทธบารมีสิบนิยกตัวอย่างว่าในการบำเพ็ญฐานบารมีในพบที่พระตถาคตเป็นพระเจ้าสีวิราชผู้ประเสริฐสมัยพระเจ้าสีวิราชนั้นจัดว่าเป็นทานบารมีพระเจ้าสีวิราชนั้นบริจาคลวงตาเป็นทาน ในภพที่เราเป็นพระเวสสันดรและเป็นเวลามาพรางมจัดเป็นทานะอุปปารมีเพราะว่าเสียสละสูงยิ่งกว่านั้นอีกในภพที่เราเป็นอกิจติดาบทเราอดอาหารทานอนนั้นก็เป็นทานะอุปปารมีในภพที่เราเป็นพระยาไกาปา่ป่าสีลวนาคและพระยากระต่ายเป็นทานะประมาทปารมี อันนี้กลุ่มทานบารมีทานะอุป ป, ป, าปารมีทานะปรมัทธาบารมีส่วนศีลบอกว่าในภพที่เราเป็นพระยาวานอนพระยาช้างฉัดทันและเป็นช้างที่เลี้ยงมารดาเนี่ยนะอันนั้นเป็นศีลบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ตรัสไว้ดังนี้ตรัสถึงการรักษาศีลในภพของพระองค์ที่เป็นจำปยักษ จำปะยะนาคราชเป็นภูริทตะนาคราชการรักษาศีนนั้นเป็นศีลอุปปารามีในภพที่เราเป็นสังฆปาละบัณฑิตศีนนั้นเป็นศีลปรมัทตปารามีก็แบ่งออกเป็นศีลสามระดับใช่ไหมศีลบารามีศีลอุปปารามีศีลปรมัทตปารามี ในพบที่เราเป็นยุทันชยกุมารมหาโควินตพรามคนเลี้ยงช้างอโยคราชโอรสพาลติสุวรรณสามมขเทวะและเนมิราชบารมีเหล่านี้จัดเป็นอุปปรมีเป็นอุปปรมีน่าจะเป็นลักษณะของเนคขมมะาปารมีเพราะว่าชาติอย่างเช่นอโยคราชาดก หรือมหาโควินตพรามนั้นยกตัวอย่างในความที่พระองค์เป็นผู้ออกบวชแต่ตรงนี้ยกมาว่าเป็นอุปปารามีถ้าดูตามคำอธิบายทั่วๆไปนั้นหมายถึงเนคขัมมะอุปปารามีนั่นเองในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐกุลทนตันดิละและนกกทาบารมีเหล่านี้จัดเป็นปัญญาอุปปารมี ในพบที่เราเป็นวิทูลบัณฑิตสุริยพรามและมาตังคะผู้เป็นศิษย์เก่าของอาจารย์บารมีทั้งสองครั้งนี้เป็นปัญญาบารมีในพบที่เราเป็นพระราชาผู้มีศีลมีความเพียรเป็นผู้ก่อให้เกิดในสัตตภพั ส, สตะชาดกเนี่ยนะบารมีนี่แลเป็นปัญญาปรมาถพารมีในพบที่เราเป็นพระราชาผู้มีความเพียรมีความบากบัน นั่นก็เป็นวิริยะปรมาทพรมีในภพที่เราเป็นพยาวานนผู้มีคารุธรรมหประการอันนั้นก็เป็นวิริยะบารมีก็ยกวิริยะปรมาทพรมีวิริยะปารมีเนี่ยนะในภพที่เราเป็นธรรมปราลกุมารเป็นขันติบารมีในภพที่เราเป็นธรรมิกาเทพบุตรทำสงครามกับอธรรมิกาเทพบุตร เรียกว่าขันติอุปปารมีในภพที่เราเป็นขันติวาธีดาบทสแสวงหาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารมีได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากขันติใหนเป็นขันติปรมาภบารมีในภพที่เราเป็นสัสสะบัณฑิตเป็นกระต่ายเป็นนกคุ้มซึ่งประกาศคุณของสัจจะยังไฟให้ดับด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมี ในพบที่เราเป็นปลาอยู่ในน้ำได้ทำสัจจะอย่างสูงอย่างฝนให้ตกนี้เป็นสัจจะบารมีของเราในพบที่เราเป็นโสปาระบัณฑิตผู้เป็นนักปราชยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งเป็นกัรหาทีปายณะดาบทระงับยาพิษได้ด้วยสัจจะและเป็นวานอนข้ามกระแสน้ำคงขาดได้ด้วยสัจจะอันนี้จัดเป็น สัจจะบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุตสมมาาชารักษาสัจจะอย่างสูงช่วยปล่อยกษัตริย์ทั้งหนึ่งอหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัจจะประมาภบปรมีอะไรจะเป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารมีในภพที่เราเป็นมาตังคชาดินและช้างมาตังคานี้เป็นอธิษฐานอุปปรมีในภพที่เราเป็นโมฆะผักกะคือเตมิยะกุมาร เป็นอธิษฐานปรมัทธปรามีในภพที่เราเป็นมหากัหารหะรือศีและพระเจ้าโสธนะและบารมีสองอย่างคือในภพที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตและคันดิตินตะกะที่กล่าวแล้วเป็นเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นโสนันทบัณฑิตผู้ทำความรักบารมีเหล่านั้นเป็นเมตตาอุปปารมีเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราช เป็นบารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือนนี้เป็นเมตตาปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นนกแขกเต้าสองครั้งเป็นอุเบกขาบารมีในภพที่เราเป็นโลมหังสะบัณฑิตเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีบารมีของเราทั้งสิบประการนี้เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศบารมียิ่งกว่าบารมีสิบไม่มี ย่อนกว่าสิบก็ไม่มีบารมีก็ไม่เกินสิบ น, นะแล้วก็ไม่มีหย่อนกว่าสิบเราบําเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ยิ่งก็คือไม่เกินไม่หย่อนก็คือไม่ขาดตกบกพร่องเป็นบารมีสิบประการชนนี้แล